บนเย็นไม่ค่อยมีเสียงเปนผู้ที่อาพับเสียงแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ไปเดินเยี่ยมนักปฏิบัติหูไม่ดีก็ไม่สะดวกอยากจะถามอะไรอยู่เดินผ่านใครที่ไหนแต่ก็ไม่เหมาะไม่สะดวกเพราะเวลา คนที่ถูกถามเขาพูดเขาถามต่อมาไม่ค่อยได้ยินแล้วก็พวดกันโวยวายไปๆพูดแรงพูดคนหูหนวกนะพูดบวบปกติสุภาพไม่ค่อยได้ต้องตะโกนใส่กันแล้วก็ไม่ค่อยดีเพราะจึงอาศัยการแสดงธรรมตอนเช้านะเพื่อไม่มีปัญหาให้หลักในการกระทำงานละผิด ตัวเองก็รู้เองเวลาถูกตัวเองก็รู้เองนั่มีสติมีหลักคือกรรมฐานอะไรก็มีหลักกลับมาถ้ามันหลงก็ให้เห็นมันหลงมันก็จบแล้วความหลงไม่ต่อไม่ยาวถ้ามันทุกข์มันสุขมันรู้มันไม่รู้มันง่วงมันฟุ้งซ่านก็เห็นมันแล้วกลับมาหาที่ตั้งเรียกวกรรมฐาน อช่วยตัวเองธรรมะนี่พุทธเจ้าสอนทรงสแสดงให้บุคคลช่วยตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาช่วยเราช่วยเหลือตัวเราเองให้พน้นขนส่งเมื่อ ม, มันหลงขนส่งตัวเองให้พน้นจากความหลงไปสู่ความรู้ทางนี้ยจึงไม่ให้มีปัญหาในกาปรปฏิบัติปัญหาอยู่ที่ใดก็เจือได้ที่นั่น เกิดอยู่ที่ใดก็แช่ไรที่นั้นปัญหาอยู่ที่กายก็กายแช่ปัญหามีสติไปล่วงมีใจมีปัญหาก็ใจนั่นแหละแช่ปัญหามันทุกข์อีใจเอาใจนั่นแหะเป็นสิ่งที่ไม่ทุกข์มีสติสัมผัญญะอยู่ที่ใจแล้วมันสุขมันทุกข์มันเห็นให้รู้เนี่ยหลักวันน่ะ อย่าเป็นผู้สุขอย่าเป็นผู้ทุกข์อย่าเป็นผู้รู้อย่าเป็นผู้หลงอย่าเป็นผู้ยากอย่าเป็นผู้ง่ายอยเป็นผู้เบือ่ออย่าเป็นผู้ขยันเหนือออกมามาดูนะอยู่เหนือโลกก็ข้อยู่เหนือนไปอย่างนี้จึงจะเหนือการเคยเจ็บเจบตายได้ถ้ามัแยกตั้งแต่ต้นทางมันก็ไป เป็นทางไปด้วยกันอย่างทางถนนหนทางที่มันทางไปเลนซ้ายเลนขวาแต่ว่ามันมีตรงที่แยกต่างกันแต่ว่ามันไปทางเดียวกันอยู่ก็แยกถ้าไปไม่ถูกเลนก็แยกไม่ได้ถ้าไปลู่ถ้าไปหลง เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้ก็แยกยากแต่เห็นมันรู้เห็นมันหลงเนี่ยมันง่ายมันง่ายอยู่ด้วยกันในภาวะที่หลงในภาวะที่รู้เดียวกันแต่ถ้าจะให้มันเป็นตัวอย่างนั่นก็ไกลกันมันทําไม่ได้เพราะอยู่ในเนื้อมันในมันนี่ก็เลยให้หลักอย่างนี้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 ผู้แสดงธรรมผู้ฟังรว้ธรรมธรรมัสวาผู้ฟังรรมก็มีส่วนบุญจำที่มงคลสาสิดธรรมัสวรรมเอธรรมังคลมุตรรมอะไรอีกไม่ได้ธรรมะกาจฉาเอธรมังคลมุตธังทธรสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลสาสบแปดนั้น เยอะแยะเลยที่เกิดบุญของเราการฟังน้่นก็เป็นบุญได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ย่อมเข้าใจฟังไปบไปไ่อยๆมันเท่าความนองเสียจะได้ว้างไปฟังไปจิตของฟังย่อมพ่องใสงฟังไปฟังไปเกิดทาความผิดให้ถูกต้องเป็นสมมติติ ลุ่งอรณุณแห่งมรรคผลนิพพานได้นี่เลยว่าเขามีส่วนร่วมแม่วาลหนุ่งตาก็พูดเรื่องรูปธรรมนามธรรมบางคนแบไม่เคยได้ยินให้พูดให้พูดให้เห็นไม่ใช่พูดในชิตแต่ทำไมมันเห็นเนี่ยกายมันเคลื่อนอยู่นี้มันมีใจกายใจถ้าเห็นเช่นนี้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 ใจมีความสุขก็รวดใจเป็นความสุขให้ความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่ใจแล้วแต่เหตุปัจจัยทำให้เกิดสุขกับทุกข์ น, นั้นมันเป็นรุ่นเป็นก้อนถ้าเราไม่เห็นวานเหมือนอยาต้นสมุนไพรมันเป็นยาอยู่แต่ว่าไม่ได้อามาชินมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์การเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้น ต้องเห็นแจ้งไอคุณภาพของมันเล้นหลงตาจะบอกว่าพยารากดำรากถอนพิษได้เราลากมันมาผลส่น้ำมะนาวให้มันเป็นต้มเรามาแปะที่บาดแผลมันจะดูดพิษทดลองงูเขียวหางไหม้ทดลองตะขาบได้สำเร็จราดูดได้จริงๆเนี่ย สาขกัดเด็กเอามาทาให้ก็ทาบาดแผลแป้บเดียวมันร้องไงโอ้ยโอ้ยนิดหน่อยมันก็หยุดร้องมันก็ถามว่าอะไร ท, ทาเมื่เช่เนี่ยแตมม่มัดูดจนร้องเลยเอามาทาอีกดูชิก็เอามาทาอีกเออเออท่านละตายตายมันดูดดูดดูด หายแล้วหายแล้วหายเผืแล้วอันว่าอย่างนี้ก็เลยว่าเออมันทดลอง ด, ดูแล้วมันก็ใช่ได้นี่แต่ว่าเวลามันหลงรู้เนี่ยมันใช่ได้จริงจริงเรื่องมันโกรธรู้สึกตัวไม่เป็นผู้โกรธเนี่ยมันใช่ได้จริงจงอะไรก็ตามปัญญาลากเนี่ยอืดาอายุวัฒนะ อันที่อาจจะมุ่งกันก็นเจ๊เกเจ๊เจ็บตายตายใช่จนชมนิชำนานเป็นเป็นหมอได้เนี่ยเห็นทำเห็นไปอย่างนี้แล้วก็มาเห็นเนี่ยเห็นคิดเนี่ยที่มันเกิดจากจิตมันก็ละเอียดเข้าไปความคิดมันเกิดจากจิตเพราะจิตอันมีความคิดเป็นคู่เรียกว่าอารมณ์เรียกว่า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 มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าเห็นมันคิดไม่ใช่เป็นผู้คิดแต่ก่อนเรอว่าคิดก็เป็นเราทันทีมองเห็นรูปทำนามธรรมเขาก็ละเอียดมองออกึกซึ้งเข้าไปบรรยากาศต่างกันความคิดเกิดขึ้นจากจิตมันพุกข์ขึ้นมาอย่างนี้มันจะเอกันอย่างนี้ เราดูอยู่ดีๆมันพุดขึ้นมาใช่ไหมเห็นความคิดที่เกิดจากจิตนู่นที่ไม่ตั้งใจแต่ก่อนมันถือว่าเป็นของที่เห็นได้ยากกันความคิดที่เกิดจากจิตนี่ยมันเป็นร่ปถึงก้อนพอเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการของจิตแล้วก็เห็นละเอียดขึ้นไปเห็นความคิดที่เกิดจากจิตมันก็จะเอกันเสมือนว่าความคิด กำลังจะออกจากประตูมาป ต, ติเป็นนายเทวานบานเฝ้าอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเป็นเทวานบานเป็นผู้เฝ้าดูเป็นผู้ดูอยู่แล้วรอบๆ อ, อ, อยู่แล้วแต่ดูกายไปเห็นจิตดูคิดแล้วก็เห็นธรรมมันคิดน่ะนะจะเ อ, อกันเลยในระหว่างเิ่มรู้สึกตัวกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเห็น อันนี้ของไม่จริงว่าทนต่อการจริงของจริงไม่ได้เพราะความคิดที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่จริงกัอะไรเห็นแจ้งเห็นความมายาสาัตายเห็นตัวไม่ถูกต้องเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็ล่มเหลวไปเหมือนกุศลดอกกุศลเหมือนมืดเหมือนแสงสว่างสว่างอยู่ดีๆ มาดอกปุ๊บแบบนี้มันก็คนที่เคยสว่างก็เห็นเคยมีแสงสว่างก็ให้เกิดความสว่างขึ้นมาเห็นแจ้งในความมืดตอนเราอย่างกับแสงสว่างเห็นแจ้งในะความคิดเห็นแจ้งกับจิตบริสุทธิ์มันจรมาทำให้จิตเศ้ามองเห็นช็อตเนีก็เห็นแล้วมันก็กนคือกจอยล่มระน า, าไปอกุศลนั่งหลายโอ้มาเกิดจากเนี่ย อันความโกรธความโลภความหลงความขลิตัณหาต่างๆเกิดจากนี้ความคิดเนี่ยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแต่ก่อนก็เห็นเหมือนกันแต่เห็นเป็นอาการเฉยๆไม่ได้เห็นหลกมันเห็นความคิดเนี่ยเนี่ยมันก็เห็นอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะแต่ว่ามันเห็นไม่แจ้งไม่แจ้งจน บอกกัตัวเองว่าโตนี่ไปความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วในชาตินี้หยุดแล้วในชาตินี้ความสุขความทุกข์ที่เกิดจากจิตจะไม่มีอีกแล้วความสุขความทุกข์ที่เกิดจากกายจะไม่มีอีกแล้วจะมีแต่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของเขาเรียกว่าเหนือกายเหนือใจ เรื่องกายเรื่องใจใจะมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นลูหมดลยไม่ใช่ไม่ลู่ไม่เอกใจเพราะกายเพราะใจไม่มีคาว่าทำใหม่เพราะกายเพราะใจไม่มีการบ้านเพราะกายเพราะใจวางพระลงได้าจากกายจากใจมีแต่สติมีแต่สัมชัญญะมีแต่เห็นก็ไปเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่า มันก็มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในจิตก็ได้รู้ว่าจิตเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราได้นั้นเปลี่ยนแปลงบรรยากาศมันก็ต่างเก่าค้นภาวะเดิมแต่เหมือนว่าจะไหมก่อนป่าทางด้านทิศเหนือสลาเนี่ยมันเป็นป่าผงป่าหญ้าคาโฉงงามมากแล้วก็มีป่าวะต่างกันกับเดี๋ยวนี้ มันเป็นเชื่อเพลิงเอ่อหน้าแรงไปไม่ป่ามาเอาไว้อยู่ลุกหล้อมไปเรื่อยๆตัวมันเห็นแจ้งทำแจ้งเปลี่ยนแปลงน้ำปูกป่ามัางปูกไม่ยางป่าอย่างขึ้นบรรยากาศก็ต่างกันแต่ก่อนไม่มีแล้วผู้คนเดินไปแถวนี้ได้มีแต่พงป่ายาคามีสตรพิษยเยอะแยะ นี่เสือเหลืองด้วยเสือดาวด้วยจำไว้ก่อนเพราะที่ตรงเนี้มันเป็นไล่ชาวบ้านจากสลาหอวใจนี่ไปถึงมุ้ยตางที่ตกก็ไปถึงนู่นทางด่านทางด่านคือกาแพงทางด้านที่มันตกอ่อทางด่านเป็นเขตรู้จากทางด่านไหมทางด่านคือทางช้างทางช้างเดิน ทางเดินของช่างเดินเดินไปจะเป็นล่องเป็นห้วยไปเลยห้วยทุกห้วยในภูเขาที่อาจจะเป็นทางด่านก็ได้นะเหมือนทางเดินที่เฉยก็ยังเป็นล่องเป็นล่องไปเนาะทางด่านเอาทางด่านเป็นเขตแดแตนตรงก ว, วัานี่ชาว่านเป็นเจ้าของสองเหล่ามีแช่เนี่ยที่นี่ช้างอยู่ อยู่ในเนี้ยอันว่าจินข้าวเขาเขาผูก ข, ข้าวพีแเล้ยวีเลี้ยวมด้เกียวเวลาออกมา น, นี่อาจินคืนเดียวหมดเลยเล่ยสองล่ยสร้างสี่ตัวห้าตัวเนี่ยมันก็รั่วนะแต่ก่อนมีขอนไม้เต็ไมไปหมดแถวเนี้ยเวลาเขาปลุกบุกป่าพวกทำไรเขาจะฝันต้นไม้เล็กๆ ล, ล, ลงมา ต้นเล็กๆหลงต้นใหญ่ไม่เขาหลงแต่วัาด่าไ้ก่อนด่ไปละไปละไปตะไปสิบไล่ยี่สิบไร่ดะาไปแล้วาหาแข่งกันมาคนหนึ่งเข้าต้นนั่นคนหนึ่งเข้าต้นนี่คนหนึ่งเข้าต้น น, นั้นถ า, างทางวิ่งหนีเพื่อจะวิ่งมาสิบคนสาวคนช่วยกันขวนตัด ร่องแต่กันอ๋อออโพดีมก็ขาดพิ่มกันเอาไม้อยู่เหลือไว้เท่ากันวันยังยงก็ขาดพ่มกันลพอไม้มันเอ็ลองก็วิ่งออกไปเอาวิ่งออกไปก็ไปนั่งอยู่คุยกันสมโพดีอยู่นะวางเฉียนต้นไม้มโร่โร่โรเป็นสามสิบนาทีก็ไม่นะยี่สิบเล่ยใช่ไหม ต้นนี่ดะไปต้นนั่นต้นเอาต้นนี้ใหญ่ะต้นไหนใหญ่ออกว่าโมฝนลงไปพอตัว น, นี่ลงไปทับต้นนั่นเอ็นไปทับทั้งกันลงไปลงไปหลดหลดหลดหลดใจหลวงพ่อจะขาดเลยตรนนั้นโอ้ยเสียดายเสียดายต้นไม้แล้วเขาก็ให้ใบไปมันแห้งต้นไม้เล็กอย่างเนี้ยมันจะทับลงไปหมดลยนันก็เป็นเชือกเบิงข้างลาง่างก็จุดไฟเขา โลกมันเต็มภูเขาเลยสมัยก่อนเวลาเขาจุดไ่เขาไฟพอจุดไฟแล้วตอนไม้เป็นกิ่งเป็นก้านนังเต็มอยู่ไม่เก็บลเลยเอาปลูกข้าวตามเท่าของไฟที่เผาใบไม้อะไรต่างๆมันก็เป็นเท่าก็เหลือแต่ตอนไม้เงเคงวงๆอยู่ปลูกข้าวไปแล้วเขาออกรวงเนี่ยก็ ข้าวก็ลวงไปพาดขอนข้าวเพียงเนี่ยจังคอเนี่ยในช่างก็ไปถอนขึ้นมาบิดลากมัดอกตั้งว้บนขอนไม้เป็นแถวล้วก่อนเหมือนกับว่ามันมันสมน้ำหน้าเจ้าของทาไมมาถางป่าของกูว่าปูเข้าจินเม่มันหมดเลย ไม่พอรเราก็จ้างใหม่าำต้นใหม่เป็นแถวอยู่เลยคนเดียวไปเคนไร่เจ้าของไรเขาก็ให้เราไปดูให้ทําไมหลงตาปล่อยวัยปล่อยวัยวไปกินข้าวผมหมดผมทุกข์ผมยาก ม, มาหาทําอยู่ทํากินกิข้าวมาเป็นปีไม่ได้กินเลยต้องชดใช้จะปรับจะปรับเท่า น, นั้นร้อยเท่า น, นี้ร้อ ออกไปต้องไล่ดีรักษาคไข้ดีๆอย่าให้มากินงงกองแต่ไม่นะเออจะไม่ปล่อยไปกินดอกแล้วเขาก็ปรับห้าร้อยเพีบสี่ร้อยเพีบยอมเขาจะให้จะใช่เนี่ยแต่แว่าเท่านี้ขออีก่อนจะรักษาไขยให้ดีจะไม่ไปกินอีกให้อาภายัยเขาก็บอกอ้าวถ้าปล่อยมันกินอีกปรับเพียกนะเขานี่ต้องไม่ปรับเช่นกัอ๋อ ก็มาอยู่จินมจนหมดเลยเ <laughs> ขาก็เลยมายิงนะอนี้ตอนพวกในที่ทั้งน้ำอย่างนี้เขามาอยู่นั่นอันออกมาก็ออยิงช้างเลยวช้างเจ็บไม่สี่ตัวตัวใหญ่ออกก่อนตัวที่สองมีงาตัวที่สามที่สี่เป็นตัวเล็กตามหลังไปเอเห็นเขาเจอาเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยิงให้เจ็บแต่ยิงขมามัน ้มันกลัวเฉยๆแต่เห็นงามมันอยากได้ก็ยิงใส่หัวมันเลยล้มลงเลยก้นนั่งลงลลยเขามาเล่าให้ฟังแล้เขาก็ตัวอากรอนวิ่งใส่คนคนก็หลบเข้าโจนไม้แต่มันไม่ไร่คนก็กลับมาเอางวงมือนไปยกก้นตัวที่นั่งอยู่ลงลุกขึ้นสองตัวเล็กเทียบข้าง มันตัวที่ใส่ก้นขึ้นกันค่อยๆใส่ก้นก็เข้ามาเดินเลือดลอยไปเลยเออขึ้นมาดามลอยเลือดออกจากป่าขึ้นแหละ่ะละแหล่ยาวไปสองสมวันตามลอยเลือดไม่เห็นเลยเออดูตายที่แล้วก็ตามไปตั้งกลัวทั้งกังตั้งแต่ น, น่าช่างก็ไม่ไม่ใหม่เจ้ของไรก็ เหนวาปูกเข้ามาเองก็ยกที่นี่ให้วัดเอาที่อื่นเปลี่ยนให้ก็เลยเป็นป่าพงนะอันนี้เราให้ฟังป่าพงป่ายะคาเกิดม้าไฟไหมเดี๋ยวนี้ก็ปูกป่ายะมันก็พุ่นมาว่าเก่าไม่ค่อยได้ดับไฟแล้ ว, ลวเดี๋ยวนี้ไปเห็นความคิดที่เกิดจากกิจเฮยเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดโมดลงป่อยเนี่ย เงื่นต่างเก่าแต่เนี่ยเราก็อยู่ได้ไม่เห็นเราก็หกกินใช่ไหมแต่ก็ไม่ป่าพงป่ายางหามีแต่โทษแต่ภัยเหมือนกับกิเลสตัณหาเหมือนกับอาการเกิดขึ้นกับจิตนี่เป็นปนัญหาตัวเรามากมีไหมเคยมีปัญหาเพราะจิตไหมปหัญหาจากจิตคิดขึด้นมานอนไม่หลับมีไหมคิดขึ้นมาแล้วกินไม่ลงมีไหมน้าตาล่วงน้ําตาไหลไมีไหม มีการุกคนัตบนี้มันไม่มีจะทำยังไงโอ้มันพ้นภาวะเก่านี่แหละวิปัสนาพ้นภาวะเดิมอย่างเนี้ยใช่เราสอนกันเล่นๆ เ, เป็นพิธีรีโตรงเขาให้ถึงให้มีสติอย่าไปทาเป็นสักตัว๊บเฉยๆให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นไปได้ ผู้ได้เห็นธรรมพุ้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้เห็นพุทธเจ้าพู้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าเขารพ้ผัสธรรมสิ่งที่ทําให้เกิดพุทธเจ้าก็เป็นพุทธเจ้าขนาาเพราะนํานี่เห็นอย่างเนี้ยแล้วก็เห็นแล้วไม่ใช่เห็นเฉยมันหลุดออกมันพ้นไปพ้นภาว่าเก่าอย่างนี้เรียก ว, วิปัสสนากรรมฐานล่วงพ้นภาวะเดิมจากอุดุชนเป็น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 ภาวะเกิดขึ้นในจิตของพระองค์อันเกิดอย่างนี้เกิดกับใครก็ได้เกิดขึ้นกับใครก็ได้อันชื่อว่าคนชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นปสัตว์ประเสริฐเจนพระพุทธเจ้าลดพงมาเราตถาคตท่านทั้งหลายก็เหมือนเราตถาคตท่านเราตถาคตก็เหมือนท่านทั้งหลายเดินไปด้วยกัน ไปทางเส้นเดียวกันไปถึงที่เดียวกันเหมือนกันหมดเน่ยคือมามีสติเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าสอนขอยกอดตามคือจงมีสติตัวทำเอาให้ไม่ได้ให้แต่พระเทวทัตซึ่งเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับพระองค์ก็ให้เวลาเลยพระเทวทัตไม่ยอมฟัง จนเป็นจตูกันใช่ไหมที่พระคือใครจนเจ้าว่าชาเหมือนกันนะ <laughs> จะว่าชาเหมือนกันแข่งขันกันเอะเต็มเป็นเจ้าฟ้าด้วยกันยิงธนูปันดาบขี่นะเก็บเทวดาในระหว่างเจ้าว่าชาสององค์ เอาวใดก็สู้เขาศีทัศน์ธามดาธรรมดาคนที่แพ้ก็ต้องอิจฉาใช่ไหมจ้ากันมาตลดอดสีทัศน์ออกบวดเทวทัศออกบวดตามอีก จ, จริงขนาดไหนต่างละทิขึ้นมาไหมแย่งกันมาแย่งกันมาผมจีวรเหมือนกันแต่จิตใจคนอ่านกันอันนี้ก็คือช่วยไม่ได้ ถ้าเราจึงช่วยตัวเองถ้าเรามาช่วยตัวเองพระเจ้าก็ช่วยเรามาไดา้เราจึงมาปฏิบัติแบบนี้ไม่มีวิธีอื่นใดให้มาลู่เองกายก็มีอยู่แล้วพลิกมือขึ้นในลู่เนี่ยเวลามันหลงไปก็ลู่อย่างเนี้ยถ้ามันหลงไม่ลู่ก็เรียกว่าเกียดค้านอนอยู่บ้านนี้กกว่าถ้ามันนั่งคิดถึงบ้านที่นี่ใช่ไหมให นอนอยู่บ้านจะมมีประโยชน์ถ้ามาชิดไปกลับมานี่เราก็อยู่นี่ก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เราคนเดียวเป็นเพื่อนกันพระอาจารย์อยู่ก็โ น, น, น้นไม่ชีอยู่จนนี้พี่น้องของเรานั่งอยู่โ น, น, น้นอบอุ่นแล้วก็มีพี่อยู่อาศัยพออยู่ได้มีข้าวมีน้ำกินพออยู่ได้นะ่ะ อย่าให้ดีเกินไปอย่าให้สะดวกเกินไปให้ยากยากสักหน่อยความยากตอนลําบากอาจจะเข้มแข็งคอามสะดวกสบายอาจจะอ่อนแอได้หัดนิสัยของตอนให้เป็นความเข้มแข็งอยู่ในความอ่อนแอมันหลงให้มีความรู้อยู่ที่นั่นนันทุกข์ให้มีความรู้อยู่ที่ด้าน เรีกว่าตัวนกระเซอะกับปฏิคือเปลี่ยนได้เป็นดีเนี่ยนีไหมมันหลงไหมไหมมันทุกข์มันโศกไหมไหมเรียนให้เป็นความรู้สึกตัวไปหมดเลยจึงจิตเรียกว่าปปิัติเปลี่ยนทันทีอย่าให้ช้าเหมือนเราเ ข, า ม, เขามุ่งเวลาเขาวงลองปิดทันที ถ้าไม่ปิดยุงมันจะเข้าไปตอกประตูต้องปิดประตูชวนเขล่ายันเยอะสิ่งของอย่าสลุยสุไลเจ็บก็ให้ดีอย่าประมาทรันนั้นเป็นวัตถุภายนอกวัตถุภายในคือกายคือใจเราหนี้อย่าสลุยสุาลคิดทะเลก็ได้ไใช้ก็จะเป็นนิสัย ไม่เห็นความคิดตัวเองมืดบอดไปความคิดความคิดไปเรามืดบอดได้เพราะไม่ค่อยรู้จักเหมือนตรงที่มืดก็มืดอยู่จนนั้นถ้าสร่างแสงสว่างในที่มืดอาจจะเห็นหได้เหมือนพระเจ้าโบกคนหลงทางสร่างแสงสว่างเข้าไปในที่มืดนี่คือพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ตัวตนพุทธะคือภาวะที่รู้หลงที่ใดรู้ที่นั่นอย่างนี้เป็นคนไม่ใช่เป็นรูปเป็นต้นเป็นตัวเป็นตนแต่นี่พระรูปของพระองค์ไม่มีแล้วพระลิขิตผานไปนานแล้วแต่คําสอนยังอยู่ยเรียกว่าคุณระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกันจัดทุกพระธรรมเป็นเครื่องกันจัดทุก พระสงเป็นเครื่องกันจัดทุกอาเจยเป็นตัวเป็นตนมาช่วยคนเป็นเครื่งองพุทโธทุกขตสาคาตาจาวิคาตาจายตัชมีใช่ไหมพระพุทเจ้าเป็นเครื่องกัจัดทุกขทรงไว้ซึ่งประโยชน์แจกข้าพเจ้าธโมทุกขตสาคาตาจาวิคาตาจายตัชมีพทํารรมเป็นเครื่องกัจัดทุกทรงประโยชน์ไว้ถึงข้าพระเจ้า เป็นของเราออกมาใชา้แต่เราไม่ใช่ก็ไม่ใช่ของเราอยู่ข้าวไม่ข้าวริงอยู่ก็ไม่กินอันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่วัตถุคุณเนี่ยไม่ใช่วัตถุแ้่คุณธรรมไม่หนักหนาสโหออ์อันตรายเบาๆเวลามันหลงรู้ใช่แล้วใช่ความรู้มาคู่กับความหลงมันไม่ตรงกันข้าม เรื่มีการเกิดการแฉกการเจ็บปันตายอ่ะก็มีไม่แฉกไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ตายไปแค่นี้เราก็ยอมแล้วคอยที่จะทุกข์เราก็มีความทุกข์เป็นเบอรหน้าแล้วเราจะยอมหรือมา ล, ลองดูศึกษาดูซิมันไม่ใช่การเกิดเจ็บ เ, เจ็ตายไม่ใช่ชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตเราต้องเหนือไม่เป็นเช่นนั้น เห็นมันเห็นมันเจเห็นมันเจ็บเห็นมันตายบางคนจะไม่เคยเจใช่ไหมชี้น้อยนี่นั่งอยู่เนี่ยังไม่เจไม่เห็นความเจดวงตานี่เจแล้วแเจแล้วทําคนเจอะีรเป็นทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์ดอกสบายกัวเก่าเมื่อก็แดงเขียวเลยฝ่าเท่าก็เขี้ยงเก่า ไม่เปเก็บนังกาบเหมือนเมื่อก่อนความเกเนี่ยมันเกิดมันก็สะดวกสบายความเจ็บก็สบายเคยเจ็บมาแล้วตดเสริญสหัสไม่ใช่ความทุกข์ความเก็บเจ็บไม่ใช่ความเจ็บเป็นความทุกข์ความเก็บเป็นความจริงของความเก็บแต่มันไม่จริงแบบมันไม่เจ็บในความจริงมันก็ไม่จริงเห็นความเก่ไม่จริง ก็ไม่แก่มันจริงกว่าไม่เป็นผู้แก่อ่าก็ไม่เที่ยงมันก็จริงแบบความไม่เที่ยงแต่มันไม่จริงแบบความเที่ยงใช่ไหมก็ไม่เที่ยงมันจริงแบบนั้นแต่มันไม่จริงแบบความเที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงมันไม่ได้เราเห็นอย่างนี้ว่าปัญญาควอมทุก มันก็จริงแบบความทุกข์แต่มันไม่จริงแบบความไม่ทุกข์เจ้าความทุกข์มันเป็นความไม่ทุกข์ที่จะเห็นมันไม่เป็นไปกรรมมันไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์อย่างเนี้ยมันจึงเหนือทุกข์เหนือสุขก็เหนือทุกข์เหนือสุขนี่เป็นนิพพานนะเขาอยู่ภาคใต้นั่งอยู่นี่มีอยู่ภาคใต้ยี่ไหมอ่ะร้องเพลงก่อมลูกให้ฟังหน่อยดิที่ภาคใต้ได้ไหม อ้าวคนพากต้ทำไมร้องเพลงไม่ได้แล้วกล่องลูกยังไงอยากฟังไหมเออร้องเพลงกล่องลูกว่ า, าพ้าวนาิเกยกาลางทะเลชีเพงิงฝนตกให้ต้องว่าลองไม่ถึงกูดจะไปถึงได้เป็นผู้หมดบ่ปดปุญโอ้ยคนกล่องลูกเป็นนิพพานาพรัวพ้าวนายเกย กลางทะเลขี้เพ่งทะเ้ขี้เพ่งฝนตกก็ไม่ต้องผ้าร่องไม่ถึงแต่คนที่ถึงมาเภาต็ น, นั้นล่ะต้องพ้นกาก บ, บาปจากบุญจึงจะไปถึงได้เหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์หน่อยเลงก่อนโรกขนตา้อาจารย์พูดท่าทำเป็นลูปทำไวโอกมาเ้าไว้ออ ก, ไวกลางน้ำ โคจรล้อมเดี๋ยวจะมีคนขีอเสืออยู่เนี่ยมีมาแล้วนะคนขีอเสือทำไมมีคนชื่อเสือทำไมมีวัวเทียมเกวียนทำไมไม่มีหมาเห่าช้างอาจารย์สยยดทำเป็นรูปมาแลวงตาพูดเล่นๆเนี่ยกิเล็เหมือนหมาสติเหมือนช้างอาจารย์สยยดไปจ้างช่างกับพันเป็นภาพ อีกหน่อยจะมอตั้งจงนคะนขี่เสือกำลังตั้งอังนะูนมาแล้วมันมีท่านมองว่าณนะที่ใดมีป่ายาประมาทหรืออุบาตมีอยู่คู่สถานกอจับต้องมองเหยื่อทุกวันวานไปเดินผ่านไม่ระวังไม่หวงังนใจณที่นี่เปรียบเสือเหมือนตันหา มีโฉมหน้ายอดพระทูโูเฉดฉายเตียเขี้ยวเล็บพินั่นอันตรายผู้หวังได้สงบเย็นยงเห็นภัยที่นี่เปรียบเสียเหมือนตันหาอวิชาความไม่รู้พาให้หลงไหลแม่เสืองามตันหาพมนักไหนต่อเมือ่อใดข้าเสือได้ขี่เสือเลย